เราได้ยินในสิ่งที่เราได้ทำให้มันเป็นส่วนประกอบในการที่เราจะพิวัดพัฒนาตนเองถ้าไม่ดีก็ทำให้เป็นดีอะไรที่ไม่ดีไม่ต้องไปถามใครเราพบเห็น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 ก็ยังอยู่กับความหลงความโกรธข้ามวันข้ามคืนได้ ว, ว่าทำให้ไม่ดีไปจมไปติดเอา้ว mm. ทำให้มันดีแล้วก็เปลี่ยนได้ให้มีการกระทําตรงนี้ให้มีความเพียรตรงนี้สักหน่อยเชื่อเรายากจนก็มีความขยันสักหน่อย ดูจักใช่รูจักหารูจักรักษารูจักเก็บอะไรต่างๆไว้นันก็มั่งมีพระความจนหลายชีวิตที่มั่งมีพระความจนหลายชีวิตที่จนพระความจน หลายชีวิตที่เคยมีแล้วจนเพราะไม่ทําให้ดีไม่ทําให้ตรงต่อไปเราเคยทุกเรื่องเก่าทุกแล้วทุกอีกก็มีเราเคยสุกก็สุกแล้วทุกอีกก็มีเคยหลงเรื่องเก่าหลงแล้วก็หลงอีกก็มีเราจึงปฏิบัติมีความเพียร ให้มันหมดไปหมดไปได้เช่นเรามาปฏิบัติทำเนี่ยมันหมดไปได้มันล่วงข้ามไปได้นี่สติอะไรที่มันเกิดจากสติหลายหลายอย่างไปพร้อมๆกันก็ราความชั่วไปพร้อมกันทำความดีไปพร้อมกันแล้ว เป็นพลังงานเพิ่มขึ้นเหมือนกับเราใช้เครื่องมือทำงานของหนักกายเป็นของเบาได้ถ้ามีสติตูวใดมีสติผู้นั้นก็ชั่วตามรอยพุทธเจ้า เห็นทมเห็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทำอย่างนีู้้ไดห้หลงเราก็เห็นพระพุทธเจ้าพระพเจ้าไม่หลงตรงนี้เรียกว่าเห็นหลอยอยู่สัมผัสได้อยู่เราจึงไม่ต้องมีคำถามในการปฏิบัติธรรมแน่มี สติมันรความชั่วมันก็ทําความดีเมื่อรับความชั่วทําความดีมันก็เป็นศีลไม่เปิดเพื่อนไม่เปิดเพื่อนเหมือนกับลักวนสงวนตัวเหมือนกับหนุ่มสาวชอบสวยชอบงามงามของศีลเนี่ยมันก็ไม่ยอมให้เปิดเพื่อนได้มันจะ ทางกายทางวาจาทางใจทั้งตาทางหูมันควบคุมไม่เหมือนหนุ่มสาวผมสวยงามอยู่ในกายในใบหน้าเครื่องแต่งตัวเครื่องนุ่งเครื่องห่มแต่ไม่ได้รวมถึงตาหูจมูกเลี้ยงกายใจรูปรสกินเสียงแต่ถ้าศีลที่เกิดจากไม่สติมันงามไปเมื่อมังามอยู่ได้นาน น้อก็มีสมาธิทรงอยู่กับความปกตินั้นศีนก็คือความปกติเมื่อมีความปกติอยู่ได้นานมันก็เห็นความไม่ปกติแต่ว่าสมาธิมันเห็นมันตั้งอยู่นานเมื่อก็น้มที่มันนิ่ง มี่อะไรมาสัมผัสนิดหน่อยก็กระเพื่อมเห็นน้ากระเพื่อมแต่น้ำนิ่งก็เห็นไรทุกอย่างตามากระเพื่อมก็ไม่เห็นจึงพยายามที่จะน้มก็ปรับตัวของมันให้เป็นน้มให้มันนิ่งอันขึ้นไม่ใช่น้าอันชินไม่ใช่กูใช่แพบ้บ มันก็รู้จักปรับตัวสมาธิก็ตั้งอยู่ได้นานไม่งอแงนคอนแจนต่างตาต่างหูจมกดิ่นกายใจตั้งไปในกายที่เคลื่อนไหวเดินจมกรมยกมือสร้างจังหวะหายใจเข้าหายใจออกตั้งอยู่เป็นชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วก็ติดมันก็ชิน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 ที่จะของทรัพย์สมบัติที่เรามีได้นี่อยู่ไม่กินไม่อดไม่อยากมีศีลก็เฉยได้มีสมาธิก็อาเฉยได้มีปัญญาก็เฉยได้เป็นไปเพื่อเอาเกจากทุกเป็นไปเพื่อความสงบเป็นไปเพื่อนิพานได้พุ่นวหวไม่เดือดร้อนนี่คือมันเป็นก่อเป็นกรรมขึ้นมา เป็นผลงานขึ้นมาบ้างทำดีมันก็มีดีเกิดขึ้นแ้วความชั่วความชั่วหมดไปใจบริสุทธิ์ก็สะอาดหมดจดไม่คงสารตาก็สงบหงูก็สงบรูปรสจินเสียงก็สงบเหมือนมันแจกรา้าไม่หวั่นไหว ตอไม้ที่มันแจากาันเดินข้องขาคนที่ข่องเกลือเขาเตาวันก็ต้องหกล้มถ้าอันไหนมันอ่อนมันก็ขาดได้าตาเห็นรูปไม่หลุดไปง่ายมั่นคงตรงนั้นได้หงูได้ยินเสียงไม่หลุดไปง่ายไม่ได้ปีนดีไม่ได้ปีน ไ, ไนล่มีปัญญาตรงนั้นด้วยก็มไม่งอนแน่นก่อนเชียนก็ไม่หวั่นไหว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 แต่ก่อนนั้นเอาทุกอย่างเอาวัตถุมากําหนดจิตใจของตนเดงเอารูปมากําหนดเอาเสียงมากําหนดเอากลิ่นมากําหนดเอารสมากําหนดเอาความยากความจนมากําหนดเอาความแมนท้าเสรยๆมากําหนดเอาการได้การเสียมากําหนดทำให้กระทบกระเทือนจิตใจ น้ยหลายอย่างก็มีศีลมีเจามทิมีปัญญามี ส, ม ส, มมรรมสติมันไม่เหมือนอนมาจะกระทบกระทือนเพราะวัตถุสมมุติปัญญะแล้วก็เช่นแขงเกิดอนนสง์ที่ว่าสงควรปฏิบัติสงควรแล้ว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 แต่ถ้ามันมีศีลไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาไม่มีสติมันก็ไม่ค่อยเห็นอะไรเกิดขึ้นก็มีลดมีชาติแต่ถ้าเราเห็นบ่บอยๆหรือว่าเจรข้าเคยเห็นเคยรู้เมื่อเห็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นดีชั่วรู้จบทั้งความสุข เห็นแล้วความสุขมันเกิด อ, อะไรแค่ไหนเพียงไรความทุกข์มันเกิด อ, อะไรแค่ไหนเพียงไรเกี่ยวข้องกับความสุขเกี่ยวข้องความทุก ข, ข, ข์ถูกต้องเวลามันสุกเป็นไปเปื่อเหนือความสุขเห็นมันสุกไม่เป็นผู้สุขมันก็ถูกต้องเห็นอะไรมันถูกต้องเรื่องปฏิบัตดิดีปฏิบัติตรงปฏิบัติออกจากทุกข์ ได้เห็นฉุกเป็นฉุกถือว่าไม่ได้ปฏิบัติดีไม่ได้ปฏิบัติตรงไม่ได้ปฏิบัติออกจากทุกข์ไม่ได้เป็นนิพพานตรงนั่นด้วยยังไม่รสไม่ชาติของกิดของใจไม่เย็นไม่ปกติก็เลยก็ะทบกระทื อ, อนี่ตลอดเวลาวันไหวตลอดเวลาวนอนแอตลอดเวลา ไม่มั่นคงเราจึงเห็นอย่างที่หลวงตาพูดวานนี่อะไรก็เห็นหมดอะไรก็เห็นหมดโดยไม่ต้องเป็นอะไรกับบารายตอนนี้เลยว่าแก่ก้ายอินจีสติอินชีแต่ก่อนฉติอินชีไม่มีเพราว่า ไ, ได้ ตั้งไว้นานไม่มีไปในกายไ ม, ม่ไปในเวทนาไม่ตั้งไว้นานเ <c oughs> บาๆไม่ติดกายก็ไม่ติดสติใจ ก, ก็ไม่ติดกับสติอยู่คนละส่วนเหมือนต้นกล้าเอาไว้คนละส่วนไม่ฝังลงบนดินต้นกล้าก็ไม่ออกลาก เม nah> uh> uh> oh ื่อไม่มีรากก็อย่างลึกเมื่อไม่มีรากอยู่กในดินก็ไม่ออกดอกออกผลนั mm, ้นเราปลูกต้นไม้ปลูกข้าวนีก็มีการเวลาหนึ่งวันเจ็ดวันหนึ่งเดือนเจ็ดเดือนหนึ่งปีเจ็ดปีอย่างช้า ต้นไม้เมื่อมันอยู่ในดินมีหน้ามีปุ๋ยพอสมควรมันก็วิวัฒนาพัฒนาของมันตามธรรมชาติธรรมะคือธรรมชาติเต้นฤดูนี้ปลูกข้าวตั้งแต่เดือนมิถุนากอรลกฎดาจิงหาสามเดือนแล้วก็เกิดตั้งคันแล้วตั้งคัน ทุกนาสีสีขาวๆจะเป็นสีเขียวมันงามขึ้นเหมือนคนตั้งครันผู้หญิงตั้งครันเมื่อตั้งครันขึ้นก็งามกว่าเก่าสีสันงามกว่าเก่าแปลงปังกว่าเก่าหน้าตาก็แปลงปังกว่าเก่าพร้อมที่จะเลี้ยงลูกได้มีน้ํานมมีกําลัง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 จากต้นกล้ากลายเป็นเม็ดข้าวเป็นเลือดเป็นเนื้อของเราได้สติมาอยู่ในกายแท้แท้มาอยู่ในจิตใจแท้แท้จะต้องเป็นมักเป็นผลแน่นอนนะสติมันตั้งอยู่ได้นานอยู่อดีบอดใดเหมือนเราปลูกต้นไม้ตั้งอยู่นานในท่าไหนเพียงไรได้ที่ได้ทางหมาย ไม่ใช่ปลูกข้าวใส่พลันหินส ต, ติมันมีอยู่ในกายไม่ใช่หินกายมันก็มีศีลอยู่ที่นี่ด้วยมีสมาธิอยู่ที่กายด้วยมีปัญญาที่กายด้วยใช้ได้ด้วยก็มีศีลก็งดงามไม่เปิดเืด้อนมีอานิสงส์สีเดนสุขจริงยติ ผู้มีศีลก็เป็นสุขได้ศีลเลโพกันสัมปทาผู้มีศีลก็มีโพกซัพย์ได้ศีลเลนะนิพุติงยันติผู้มีศีลก็มีนิพพานได้ไม่ใช่ศีลเอาไปวางบนหิ้งมันเป็นประโยชน์ต่อกายมีความสุขมีทรัพย์ได้ซับภายนอกภายในมีได้เล่าไม่ เอื้มบุรีไม่สูบ <c oughs> อะไรที่มบเป็นดำใบยมุกไม่ประกอบคนมีฉิ่นทำไม่ลงเติมชั่วทำไม่ได้คนสวยงามทำอะไรสกปกปำแมมไม่ได้เหมือนผ้าที่ติดเหมือนเครื่องสกปกติดผ้าให้อยู่นานไม่ได้ต้องซักออก มีศีลก็รู้จักทำความร้ายเป็นความดีได้ไม่ยากขยันตรงนี้ถ้าคนไม่มีศีลก็ไม่รู้จักรักษาตัวเองเี่นคนเมาเหล้านอนเกือรขี้ฝุ่นก็ได้เกียกขี้หมูขี้หมาก็ได้บางคนน่าเกียร์มาก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 ในคนไม่มีศสลนมันก็มีสีเลยนสุขกิจยันติสีเลยนะโพกซ้อมบัทาแทนที่เงินรอยบาทกินข้าวหมดที่สิบบาทตอนมีศส้นก็อิ่มได้ตอนไม่มีศส้นเงินรอยบาทกินหมดยังไม่อิม่ม มันก็ไม่มีสีเลยนะโผล่สัมปัธธาเกียรติข้านมากกว่าความขยันคนไม่พีจินก็หลงมากกว่าความรู้ทุกมากกว่าความไม่ทุกก็ไม่ทุกไมีอยู่ไม่ไม่เอาเอาความทุกง่ายกว่าความไม่ทุกยากทำดีได้ยากทำชั่วด้ง่าย ถ้าเามีสติมีศิญแล้วนิดหน่อยก็ไม่ให้อยู่ในหอยใจตอนชื่อว่าความทุกข์เนี่ยมันโฉบกว่าทุกอย่างมีแต่ทุกข์ท่า น, น, นเกิดขึ้นมีแต่ทุกข์ท่า น, น, นตั้งอยู่มีแต่ทุกข์ท่านหลับไปขยันตรงนี้ขยันเปลี่ยนล้ายเป็นดีขยันเปี่ยนทุกข์เป็นไม่ทุกข์ มันเปนความเพียรตรงนี้อย่างยอดเยี่ยมผู้ดใดความเพียรวิเยเยนะทุกขามัดเจติกนจะล่วงทุกข์ไปได้เพราะความเพียรถ้ามันทุกข์หรามีความเพียรที่สุดเลยแล้วก็เปลี่ยนทุกข์เป็นไม่ทุกข์ง่ายๆถ้าคนไม่มีความเพียรก็ยาก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 ถามีพัญญาก็ไม่ไว้หน้ากันเพราะยึดเอาความโกรธความทุกข์เป็นตัวเป็นตนเต็มที่ตามชั่วสุดสุดก็ไม่ฆ่ากันได้ก็มีถ้าเรามาเห็นมันแล้วโอ้ยแม่มันหลงคิดไปก็ปัดทั้งอกตัวเอง ถ้านคนมีสมาธินานหนึ่งวันเจ็ดวันอยู่กับสตินานเวลามันหลงไปในความคิดนี่เอามือรูปอกจริงจริงนะมันรู้สึกว่ามันเฉดลาบกับความคิดที่มันหลงไม่ได้ตั้งใจแต่บางคนก็หน้าด้านตรงนี้ด้านที่สดปล่อยให้มวนคนคิด จะไม่รู้จากอะไรเลยไม่รู้จากอายไม่มีความละอายความละอายไม่ต้องละอายตัวเองไม่ใช่ละอายคนเด่นความลับไม่ใช่ตาเช่หูคนพูดเราพูดคนไม่ได้ยินตาคนไม่เห็นเราถือว่าความลับมันไม่ชา่ความลับคือไม่มีใคร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 เ, เพื่อนมากแล้วเสียเวลามากมันไม่ใช่มีรสชาติตลอดไปอันหูเนี่ยตาเนี่ยจมูกลิ้นกายก็ไม่มีรสชาติสักเมือไปใจก็ไม่มีรสชาติสเสมอไปถ้าใช่ผิดก็กเกเรไปหมดเลยถ้าใช่ถูกก็เป็นประโยชน์ดังโบราณท่ดว่า สิบ <c oughs> ปีอาบน้ำบัวหนาวสาวปีเล่นเสาเล่นเบาไม่เบื่อสามสิบปีลาเมียก่อนไกสี่สิบปีไปไล่น้ำมาทอดคุยห้าสิบปีเป่าคุยโบก้องตีกล้องหัดังตีละครข้างมอมวลนห้าสิบปีล่ะสู้เสือทุกข้า ลืมไปหกสิบปีปุยวกลวกงตีค้องบวดังตีระฆังหมงมอนไม่ถูกเก้าิบปีใครก็ตายว่าใครก็ตายเก้าสิบปีป่วยก็ตายไม่ป่วยก็ตายต่าเก้าสิบปีไปแล้วนะอย่าล้องตาน่ย เมื่อวันพระก่อนไปดูหนังวิฉัยเอาหนังมาฉายให้ดูเอาบีซีดีมาฉายให้ดูแล้วฉายเรื่องข่าวต่างๆมาฉายเรื่องหนังสัตว์อตาก็ไม่เคยดูมาตั้งหลายนานมาันไปดูกับเขาไปดูสัตว์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 มันไม่เอาเปูคุยบวกล่องตีกล้องบวดังตีละครบวมวนไม่เคยเปิดเทปไม่เคยฟังข่าวไม่เคยเป็นนั่งจอนะต่อหน้าทีวีโทรทัศน์นานมาแล้วมันไม่เอาจะให้เป็นนั่งจ้องโทรทัศน์ตางนี้มันไม่เอา ข่าวก็ไม่เอาเรืนี้เทพคัดเจ็กอยู่เก็บไปพิพิธภัณฑ์อยู่ในกติปูเขอทองเขียนไปแล้วว่าพิพิธภัณฑ์นีเทพเครื่องใหญ่ตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นย่านะยังอยู่ยังใช้ได้อยู่ไปเปิดกดวิทยุมันก็ดังอยู่ไปเปิดเฉียงก็ดังอยู่แต่ไม่ใช่คัดเจ็ดเล็กๆเท่าเนี้ ก็ไม่ใช่อยู่ในตู้อยู่ในตูนต้เก็บปลอยถ้าหลวงตาตายไปก็เก็บไปนั่นละ่ะเป็นข้อนมีสิยวมีวิทยุกระดูกหมาขนาดนี้ ว, ว่าวิทยุกระดูกหมารุ่นเก่าที่สุดรุ่นแรกที่สุดมีวิทยุสื่อสารด้วยแต่ไมหนึ่งก็ใช่กันนะ ก็มีเหมือนกันมีเครื่องชาร์จแบตเตอรี่เจ็บไปอยู่ต่อไปจะเป็นของเมค่าของโบราณนานที่สุดมีข้อมีเสียวมีเลื่อยมีมีดเครื่อง่ช้ไม้สอยมีบาดเก่าๆ40ปีเจ็บไป เพิ่งเปลี่ยนไปไม่วานสงวันเนี่ยอธิหารบาทใหม่แล้วยังงามนะงามบาทงามเชิงบาทงามตลกบาทไม่งามสาวงามหนุ่มเหมือนเมื่อหนุ่มนะอย่ามาอวดกันก็ได้ <laughs> งามบัตถุกงามบาทตัวเองงามกีบอน จะเาเสื้อเออผ้าอะไรมาอ้างก็ไม่ไม่หวั่นไหวพระอังสะแขนเดียวก็ยังงามนะไม่เหมือนชุดยีนชุดสากลของท่านอังสะแขนเดียวยังหนุง่งนุ่งงามพีวรอลหม่มงามก็จะนุ่งอะไรก็นุ่งไปแต่งามที่เป็นส่วนรวม ศาลาพอได้นั่งกันได้คติพอได้รับแขกได้มนที่เป็นส่วนรวมงามอยู่งามส่วนรวมไม่ใช่งามส่วนตัวมีเครื่องใช้ส่วนรวมงามแบบนั้นก็ อันมันก็หมดลงไปแล้วอันรูปรสกินเถียงนะ่ะมันไม่ใช่ที่เราจะไปหลงหลบรูดลดหน้าไว้ก็ดีทำนายมันว้ก็ดีอะไรที่เราชอบมันก็มันชอบชะวันอะไรเที่ยวเกลียดก็ไม่เกลียดชะวันหนึ่งอะไรที่เราชอบเป็นของเรามันจะจะไม่ใช่ของเราแม้แต่หน้าตาขาแขน หมูเสียงวันนี่อยากแกไปทำฟันอยู่ฉันเข้าไม่ทันลำภพความเลยช <laughs> วนฉันตุ้มคนหมูไปทำฟันกรุงเทพแล้วฉันอยู่สุกโตก็พอไหวนี่เพื่อนนั่งเป็นหมูด้วยไปฉันว่าเตินเขานะได้ครึ่งเดียวเขาเย็มไปแล้ว อายเขาไปฉันข้าววัดอื่นไม่ยิ่มเลยแม้แต่ประฉันข้าวัดภูเขาทองก็ไม่ยิ่มสักวันเลยต้องรีบกลับสุโกโตเพราะมันไม่ทันเข า, เ, าเขาเชี่ยวแต่ก่อนเชี่ยวสิบครั้งเืินได้ตอนนี้ต้องสามสิบครั้งจึงเกินได้ครึ่งโตครึ่งกับคนมีฟันดีฟันแล้วก็ฟันโบดมันออกไปถอนทิ้ง ไม่ได้โลนนะถอนเร่ง่านั่นปวดนั่นอยากไปทำพันอยู่ถ้าอยู่สุกโตก็ไม่ต้องทำมีเพื่อนฉันอี่มได้อาหารก็ข้าต้มไปฉันข้าวสวยนี่ยยิ่งไม่ไหวละเนี่ยฝันตาก็เหมือนกัน ก็หมดไปแล้วหูก็หมดไปแล้วลิ้นก็หมดไปแล้วหลวงกรมบอกว่าญาติโยมมาเนิมนให้ไปแสดงธรรมวันพระหน้าอำเภอบ้านเข้ามันแสดงไม่ได้ไม่มีเสียงถ้าหลวงพ่อกรมแสดงอะผมไปด้วยได้อยู่นิดหน่อยถ้าใจไป นำหน้าน้ำตาทำไม่ได้เลยไม่ลกล้าไปไนมีคนนิมนไปทุ่มไปนี่ก็ไม่อยากไปมันหมดของที่เราเคยรักก็เป็นของเมตตาการกุณาไปของที่เราเคยเกลียดก็เป็นเมตตากุณามั่นคงคือเมตตากุณาพิตาเปรขาให้มีอาไว้ถ้าไม่มีตัวนี้ก็หลงที่หลงทางนะ ไม่มีสติมีกุยทางเอาไว้บ้างถ้าเวลามันหลงมันต้องไม่หลงเวลามันสุกมันต้องไม่สุกเวลามันทุกข์มันก็ต้องไม่ทุกข์เห็นมันสุกเห็นมันทุกข์เห็นมันหลงเห็นมันรู้เห็นมันผิดแต่มันถูกเห็นมันชอบเห็นมันชังเรื่อยไปเห็นมันเห็นมันเห็นมันตาว่าที่เห็นมันเจริญนี่แหละความถูกต้อง ไปตามรอยพระองค์พระพุทธบาทพุทธเจ้าเห็นดังที่ลอนดาพูดในฝังว่านถ้าเห็นไม่เป็นแล้วสุดยอดแล้วนี่คือไม่แก่ไม่เจ็บ ไ, ไม่ตายตรงนี้มันเป็นธรรมมันเป็นมากเป็นเป็นผลเห็นมันไม่เป็นอะไรกับอะไรในกายในใจเราเนะี่ย ให้โลกไปนี่าววกายควงศอกยาวาหนาเครือบเนี่ยไม่ต้องเป็นไรกับมันเห็นหมดแล้วจะมาอวดกันจนขนาดไหนก็เคยจนมาแล้วสุขขนาดไหนก็เคยสุขมาแล้วทุกขนาดไหนก็เคยทุกมาแล้วทุกมาแล้วทุกไม่มีเสื้อผ้ายังมีฝาบ้านพอด้ลี่อยู่คอยลี่ในชิดใบ้านตัวเองได้เบรเครื่องนู่นที่มัน พอยบไปเดินแฮ่กันหลอนกับชาวบ้านนผะ้าไม่มีนุ่งนอนรี่อยู่ในบ้านก็ไมีใช่ไหมหลายคนที่ไม่เคยลองต่อเคยมาแล้วนะเป็นลูกกับผ้าพ่อตายยากจนนั่นแหละขอบคนของจนทั้าเราเชืช่มแขงงตาท่วมจนทั้งเราอ่อนเอเกเรก็ไมี ร้องจนทำเราเข้มแขงแต่เราเป็นคนดีได้เวลาไปเที่ยวกับหมเป็นหนุ่มเขาเจเลเขาก็มีพ่อมีแม่ไม่พ่อตอนานะเขาดีกว่าเราเราจะไปเจเลยเหมือนเขาไม่ได้พ่อเราก็ไม่มีแต่ความไม่มีพ่อเขาก็ลังเกียจแล้วคนโบราณลังเกียดคนไม่มีพ่อนะโยรุกับผ้า ทุกวันนี้แม่มีพ่อก็เปรียบเหมือนไม่มีพ่อแ ม, แม่ก็เปรียบเหมือนไม่มีแม่เป็นลูกของบริษัทไปหมดแล้วทุกชีวิตเลยแต่ก่อนมันเป็นลูกของพ่อของแม่จริงอายุยี่สิบปีเนี่ยยังไม่เคยออกจากบ้านเลยอยู่กับแม่เดินก็เดินไปนาตัวเองไม่เคยไปที่ใดขีดเส้นทางให้กับการใช้ชีวิตจนรั้งแต่ เล็กจนเป็นหนุ่มจนเป็นหนุ่มจนเป็นอายุยี่สิบปีเดินไปแต่นาตัวเองไปหาฟืนก็ไปที่นาตัวเองไปเก็บเผ็ดก็ไปนาตัวเองไปเก็บผักไปหาปลาหาจินไปหาที่นาตัวเองไม่เคยเดินไปทางกันเลยทางอื่นแม่จะดีก็ไม่ค่อยไปทุกวันนี่ไปหมดทั่วโลกทุกที่ทุกทางเลย หนึ่งก็มีโมเตจัยแต่ก่อนไม่มีมีขาท่อนเดินไปนาน่ะค่องที่สุดเลยเจอเนี่ไม่มีใครเดินไปไร่ยไปน า, นาตัวเองไปตลาดไปเที่ยวไม่ใช่เป็นลูกของพ่อของแม่เราทุกวันเนะี่ยแม่จะเป็นสามีพันยาไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันนะแต่ก่อนพี่น้องเห็นหน้ากันทุกวันกินข้าวด้วยกันทุกวัน เดี๋ยวนี้มันไม่มีกันแล้วมันไกลกันออกไปมันก็ยิ่งเถื่อนออกไปถ้าเราไม่มีธรรมะแล้วนะสี่งเวดล้อมันไม่ค่อยดีจึงไม่ควรประมาทนะขอท่าทายไว้มานี่เถอะพวกเราห้อยมาศึกษาชีวิตจริงๆมาจะเห็นบททุกอย่างถ้ามีสติดูกายดูกิต กายของเราจะหลอกมาได้จิตก็หลอกมาได้ตาก็หลอกมาได้หูก็หลอกมาได้จะหมูนเล่นกายใจหลอกมาได้รูปรสเสี่งเสียงหลอกไปได้เดี๋ยวนี้หลอกได้ที่ที่สุดคือใจของคนเราเป็นสุกก็เพราะใจเป็นทุกข์ก็เพราะใจความรกของเกียรติก็เพราะใจตกายเพราะใจ เยเวลาอยู่กับความรักความสุขความทุกข์ที่เกิดกับใจสักวันหนึ่งเราปฏิบัติเห็นกายสภาวะกายเห็นเวทนาสภาวะเวทนาเห็นจิตสภาวะจิตเห็นธรรมสภาวะธรรมจนมันตายไปอตอนที่มันจะเกิดทุกข์เกิดสุขจากกายจากใจเนี่ยจากเวทนาเนี่ยหมดไปเลยเห็นแต่รูปแต่นาม สุขทุกไม่ต้องเรียกเป็นอาการอาการของกายอาการของใจเจแล้วไม่เรียกว่าสุขว่าทุกข์เลยเป็นรูปเป็นนามถ้ามีอะไรก็เป็นสมมุติแน่นหนามากสมมุติเนี่ยมีบัญญัติมีวัตถุมีอาการ <c oughs> บัญญัติสมมตุติบัญญัติเป็นรูปธรรม คิดเช่นมาก็สมมุติว่าสุขว่าทุกข์ว่าชอบว่าไม่ชอบเป็นสมมติบัญญัติในานามมาทำสมมติบัญญัติในรูปตาเห็นมีลถมีชาติมีรูปรูปคือสัมผัสได้บัญญัติว่าชอบว่าไม่ชอบในบัญญัติที่เป็นรูปธรรมจน เหายเพราบัญญัติก็สมมติเอาไม่ใช่ประมัดบัญญัติลงไปในนามมาทำความโกรธถือว่าเราเราโกรธสมมุติปัญญัติในนามมาทำเอาพอใจเราไม่พอใจสมมุติบัญญัติในนามมาทำมันเป็นสมมุติปัญญัติเอาไม่จริงเคยความพอใจเคยมีความไม่พอใจแต่ความพอใจไม่พอใจมันไม่มีจริง ชั่วข้างชั่วข่าวแล้วก็หลอกกันเช่นความโกรธสมมุติว่าเราโกรธจ้ะกูโกรธเต็มที่เป็นกูจริงๆเป็นตัวเป็นตนจริงๆใช้กายใช้ใจไปกับความโกรธถามตามความโกรธเสียผู้เสือก่อนจนเกิดการเสียหายหรือ ว, ว่าสมมติบัญญัติที่เป็นนามมาทำสมมติบัญญัติที่เป็นรูปประธรรมแย้งกันข่มขืนเข็นฆ่าป้นขี้กัน ละขโมยอะไรที่เป็นธุวบัญญตัติติดคุกติดลังก็ยอมอาหารชีวิตก็ยอมถ้าได้ทำไปตามสุมุติบัญญัติมีเงินไม่ท้องก็ไม่เหลือหลงในสมมุติบัญญตัติในรูปในรถในกินในเสียงไม่ใช่ประมาทชัตจักรมโกรธเป็นสมมุติบัญญัติผมไม่โกรธเป็นประมตทชัตจั พังหลงเป็นสมมติบัญญัติความไม่หลงความรู้จตัวเป็นประมิมันจริงอย่างนี้มันไปไหนก็ไ่พ้นความจริงในโลกเนี่ยแต่แล้วก็ท่องเที่ยวความไม่จริงตลอดถึงการเกิดเจ็เจ็บตายมันก็เป็นธรรมชาติเป็นอาการของลูกไม่ใช่อาการของชีวิตจริงๆชีวิตจริงๆมันได้คือไม่เป็นอะไร จากที่มันเห็นมาสุขโศกโชคสมที่เห็นเห็นมามันก็เห็นให้เป็นรไรคือชีวิตถ้าไม่สุขเป็นทุกข์ไม่ใช่ชีวิตถ้าเห็นมันสุขมันทุกก็ยังดีจนไม่สุขไม่ทุกข์ไม่เป็นรไรอะไรจนอยางนี้ระยว่าชีวิตนี่คือเหนือการก็เจิดกระตายพระเจ้า เราตัดจรูปพวกเองไหนไม่ได้ตัดจรูปที่อะไรที่ไหนในกายใดใจเราเนี่ยเห็นแล้วเนี่ยจะว่าชาติชิ้นแล้วชาติจเป็นความสุขพบสิ้นแล้วพบที่เป็นความสุขความทุกข์สิ้นแล้วมีแต่ไม่เป็นอะไรชิ้นพบสิ้นชาติแต่ว่าผมว่าจุดที่สุดแห่งชีวิต ไม่เปิดเกื่อนปั้อนกอะระเป็นสมบัติของทุกชีวิตจะให้จะให้พลาดไปมีสิทธิที่ต้องศึกษาไม่ต้องทำอะไรถามอย่างนี้แหละตามรอยพระเจ้าน่ะตั้งแต่วันเพ็ญเดือนหกมาพระเจ้าเกิดโตเล่ ไม่ใช่เกิดที่ไหนะอันเกิดจากรูปจากายที่เป็นรูปแต่ว่าสีธถตุเกิดจากสวนลมพิณีเกิดเป็นพระเจ้าเกิด้งหัวใจนะอันเกิดที่พุทธคยาก็เป็นที่เป็นที่อันดังอันที่จริงๆริงมาอยู่ในอยู่ในกับชีวิตเราเนี่ยเนี่ยจเจริญสติเห็นเนี่ย ไม่ต้องไปศึกษาวิธีกาไหนมีอยู่ในเราแล้วเป็นสูตรแล้วเป็นพัดสูตรเป็นตำลาเป็นตู้มาตถัปรดกในชีวิตของเรานะอย่าเอาเพศวัยมาขวางกั้นเอาความไม่เป็นไรนะเป็นสิ่งที่มาหลกของเราตยวนี้เราเออลูกปลา ขวงันเอาเสียงมาขวงกันลดกิ่นมาขวางกันเป็นจุขเป็นทุกข์เพราะสิงเหล่านั้นไม่จะตายก็ลมหายใจมาถวงกันเอาวะอ่านคงไม่เป็นไรไม่มีอยู่ต้องเป็นผู้หายใจมาได้เป็นผู้เจ็บเป็นผู้ปวดไม่ใช่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 แน่นอนที่สุดคือแก่เจ็บตายชีวิตของเรานะต้องมีความไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเดี่ยวนี่เริ่มต้นจากเข็นกายเห็นเวลาเห็นจิตเห็นธรรมในไปนี่แหละทางไปตรงนแน่นอนปฏิบัติดีตรงนี้ปฏิบัติตรงตรงนี้ปฏิปัติออกจากทุกตรงนี้ปฏิบัติสมควรตรง น, รง น, รง น, รงนี้มีเหลี่ยมยกมววาไหตัวเองได้ค่มค่า กับชีวิตที่เกิดมาสมควรเจอเวลากับพระพร้อมกัน